ท่านฟังที่ครบคะ่ะเรามาพบกันอีกในช่วงเวลาของพระอาจารย์ไยบูรณ์อภิปุโ น, โนนะคะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะค่ะน้มสักการกัรค่ะทั้นคะ้เชิญปานค่ะช่วงนี้ที่วัดป่าดอนายโศกจะมีการหลีกเล้นอีกเมื่อไหร่คะนี้ก็จะมีครั้งหนึ่งในเดือนมิถุนายนวันที่สี่ถึงสิบสองก็เสาร์อาทิตย์นี้แหละ<อ>ที่จะถึงนี้เริ่มเป็นเวลาหมเจ็ดวันค่ะ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 ไม่ให้เกินร้อยเพื่อที่เราจะได้บริหารจัดการได้แล้วคนก็ยังมามากก็เลยจะต้องมีการเพิ่มบ้างอะไรบ้างแล้วในคอ์สอื่นของทั้งปีเนี่ยในช่วงเดือนอื่นอก็จานวนคนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่าคนที่มาลีกรเรนเนี่ยก็ให้ความสนใจเพิ่มขึ้นอะอย่างที่คุณชมติ ว, ว่านั่นแหละค่ะคือท่านจากข้อสนที่ท่านทำคอสอย่างนี้เป็นประจำเนี่ยนะคะ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 ศาสนาเจริญหรือว่าการปฏิบัติของเราจเจริญไปปฏิบัติของเราได้ผลอย่างเงี้นะมันก็ถ้าเราจะวัดเป็นส่วนใหญ่ก็จะจะพูดอย่างนั้นต้องวัดกันอย่างนี้อืมคร <c oughs> นี้โดยส่วนตัวถ้าเราวัดจากจํานวนคนเฉยๆเนี่ยมันวัดมันพูดยากคุณยมติวอาจจะเกณฑ์กันมาอาจจะมาลองๆแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมเราก็พูดไม่ได้เราต้องดูผลไงผลคือเรื่องสีผลคือเรื่องสมาธิ <c oughs> ผลคือเรื่องปัญญาเราดูตรงนี้อืมค่ะ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 ของคําสอนของภาษาสดาเนี่ยถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ไหคะอ๋อเป็นการถือเป็นการฆ่าถือเป็นการฆ่ า, าเป็นการฆ่ า, าถือเป็นการฆ่าเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีปรานปานาติบาทใช่ไหมปานาเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีปรานเพราะฉะนั้นลูกในท้องเนี่ยก็มีปรานแล้วอะ่ะก็อาศัยระบบการมีการเมตาบอลิซึ่มมีกา ร, กา ร, การใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญอาหารจากแม่ผ่านทางแม่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 เริ่มรับสารอาหารจากแม่เมื่อไหร่ตรงนั้นแหละที่เรียกว่ามันมีกระบวนการการมีปราณเกิดขึ้นอ่า อ, องค์ประกอบที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้ก็คือมีวิญ ญ, ญาณก้าวลงสู่กมีวิญ ญ, ญาณมาก้าวลงซึ่งการที่ก้าวลงวิ ญ, ญญาณมาก้าวลงเนี่ยก็มีเหตุมาจากกันที่มารดาบิดาอยู่ร่วมกันนะมารดามีฤดูแล้วก็มีวิ ญ, ญญาณมาก้าวลงก็ถือว่ามีชีวิตใหม่เกิดขึ้นละต่อจังหวัดนั้น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 ความสุขทุกอย่างที่เขาจะต้องมีจากนั้นไปเนี Irish, ่ยเขาจะไม่ได um ้อีกแล้วนะเงินเดือนความสุขที่เกิดจากสิ่งใดๆก็แล้วแต่ในชีวิตจากตอนนั้นไปเนี่ยถ้าเราไปฆ่าเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้อีกแล้วจบเลยแต่ถ้าเราไม่ฆ่าเขาแะเราไม่ฆ่าเขาความสุขต่างๆจากตรงนั้นจนถึงส่วนที่เขาจะจบชีวิตเขาจะยังได้อยู่เนี่ยเหรอไหมเพราะนั้นตรงนั้นแหละคือเรียกว่าโอ้โหเราให้ชีวิตเขาเลยเพราะนั้นมารดาบิดาเนี่ยยิ่งกว่า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 จะพบท่านได้ที่ไหนอย่างไรนะคะก็ทางสถานีวิจิตกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะตามส่วนต่างๆของประเทศเวลาเดิมตีห้าถึงตีห้าครึ่งในการธรรมารัปรุณที่นู่นค่ะเท่ากับว่าได้พบท่านพริบุญทุกวันนะคะวันนี้ก็นำมาสการขอประคุณท่านอย่างยิ่งค่ะจ้าท่านฝั่งพี่ครบคะส่วนดิฉันนั้นจะหยุดพักสออาทิตย์ค่ะกลับมาพบกับท่านพร้อมกับพระมาร์กแล้วก็ท่านพริบุญเนี่ยนะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์